พระธรรมมตสนาหมโหสดจดกจอมปราถแห่งมิถิลาภูกิสาวเจ็ดฟังแล้วเกิดพญาปัญญาปราหือฉลาดเยบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมเัยชมพูรปรเปลียนทาพกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจะวัดเจียงาย นามัตตสัพพะวะตอระหตสัมมาสัมพุทธสัตตาตานตารังปริปจิการาจังพุทธติสาทาวุราสปุริจตังาย ทังยิ่งใจใหญ่น้อยใจไฟห้อยกุศลจริงละการตนบวนหมูอันมีอยู่เกหาปากนมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจาติดต่อตามบาทคอบานีว่าตาตานันตรังปริปากิกาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตอ ตาตาั้นตารังทัดแต่นั่นไปแถมเหล่านางแม่เท่าปริปาจิกาจิงทมภาญายดหญ่คือเต่าไทายจุลนีวาส า, ายดีเต่าเจ้าคือใจหนุ่มเนาทะโนูเสกขา้ากุมานอาสาการบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเป็นนิรัน เกิดห่วมวันตันบาทเป็นสาชาัิสหายได้พันภายแอลเลนวิ่งวิงเต้นจอมกันยามเจ้าหอดฉันพงอ่อนได้จากบ่อนเมืองตนไปอยู่หนแห่งห้องคงเขตต้องสากาละนกอนแห่งเต่าผู้ทอนมัตตราชก็บอกขาดตัยไป บ่อนีไก่หลีเว้นย่อมวิ่งเต่นกินนอนยามเต่าผู้ทอนขึ้นใหญ่ได้เป็นเต้าท้ายผาปาราก็อาสาอยู่เฝ้ากําเต้าเจ้าผู้บ้านคิดจาการน้อยใหญ่หูแจ้งไขจูอันอันเจ้าหอดฉันหันตอดอันไรหดสั่งจ้า จิงวางลาปองปล่อยฮือพีเสื้อถอยเอากินขอพระผู้มินก่าวจี้ฮือแจ้งทีตามมีเต้าจุละนี้ตอบเราว่าคาแดแม่เทาปริปาจิกาสหายคนนี่ดาแต่ก่อนยังพงอ่อนยังไว เทียนยอมไปแอลเลนวิ่งวิ่งเต็นจอมกันเป็นนิรันจใจบ่อขาดใดวันใดมีปัดใจยหลาซ้ำลูกไม่พั่หัวมันก <c oughs> ินจอมกันบ่อพรอ น, นอนรวมซ้อนเสาซาบัดนีนาตัวคาเป็นเจ้าฟ้าหอจันส่วนตัวมันนั่นเล่า เนี้ยดังเก่าเดิมมานยำไข่จากเก่าอู่ต่อหน้าหมูคนลายก็บอท่าวายข่าวไวเบือนไผ่ไตคนในย้อนใส่ใจเกิดเล่าว่าเป็นสายเก่าเดิมมันในห่อจันนี่ใสมีผ้าตูน้อยใหญ่เหลือล้ายคาได้หมายบอกเล่าแก่คนเฝ้าพราตู ว่ากันมันมาจูตีไกบ่เว้นไว้ยำได้เรีบไขไว้ว่องเฮมันเข้าห้องผังกาล้างเตือนันนาตัวค้าอยู่กับนางโอลาเตวีมันบอกไขว่าตีเฮรู้รีบเข้าสู่ไปในจ่าเยาะยห้มต่อหน้าเฮตัวค่ายินอาย ยามคนตั้งลายเก่าถอยไปสุดซอยความอนมันรีไ้ตัดบาตัดกำขาดกลางหนบ่หือคนม้วนหมูได้เก่าอสุดปลายตอดมันลายดังนี้ค่าจิงจี้ใครปันว่าจักยกตัวมันนั่นใส่ฮือผีเสื้อใหญ่เอากินแลยนะ นางปาริปาจิกาผู้เทาก็ทำเลอถัดไปว่าปารหิตเตียมใจเต้าเจ้าคือเกวัดเทาอาจารย์ผู้จะนานองอาจจบฉลาดนำนาตังโหราวิเศษสัทาเปิมนยัตหูสุริยะจันตาขาดหูอุบาทนานา แม่นกกามาร้องกอแจ้งส่งหันใสว่าจักมีไผมาไกลหรือจกใหญ่มาจู่เล็งพอดูบนฟ้าพอตัวนาเดือนดาวก็หู้ว่าจักหนาวหรือฮ้อนคนจูบันปารจาจักเครื่องการร่อนให่หรือว่าใดเจยบ้านเกวัตอาจารย์ผู้ใหญ่ หัวแจงไข่จูอันอันตัวแห่งบันมีตอดอันไร้โหดสันได้เจ้าหอใจยอดเงาตนผาบดาวปา ร, ราบอปียะไฟเอือหื้อผีเสื้อเอากินเต้าผู้บินตอบเปล่าว่าเกวัดเท่าอาจารย์แม่นจะนานองอาจ จบชาลาสันใดายามคนไหนอามาตั้งไพราชเศรษฐีกาบอดีมวนหมู่มาเฝ้าอยู่นำนามันแลตาพอ้าดังโคตรกาเรื่องกาเยี่ยเลือกตาอยากกิวเยี่ยนาิวเปิงกวัวบ่หูตัวบรนเล่าว่าเป็นเก้าอาจารย์ ข้าหันอาการดังนี้จริงเกาวจี้ไข่ปันว่าจักยกมันนั่นใส่หื้อผีเสื้อใหญ่เอากินเล่นะน <c oughs> างปาริปาจิกาผู้ใหญ่ก็ทำเตาไทยปาราวาดูรามาราจเาจ้าตนเป็นเการีปน เต้าหยกคนตั้งหาฮือพีสีเสือกับว่าควบกินมีแม่พระนารินเป็นเก้าถึงเกวัดเท้าอาจารย์ส่วนตนผู้บ้านยอดซอยบ่ออวงหอยยังตนจักเรร้นบอดจ้าฮือผีเสือกับว่าสุดปลายเต้ายอมตายมวยมากงฮือมะโหสุดข้างเดียวได เตอาย้อมตายมวยหมอดแทนเจ้าหน่อเสนาบอดีคุณมันมีมากเต้าแก่เต้าเจ้าสันใด้อจุงไขเก่าอูคือได้หัวตามมีดูหูราเจ้าปุรินยศใหญ่ภาพแผ่นไตาปารามีภาญาต่างดาวร้อยเอตเต้าเป็นปริวาน โยธาหานลายแลวังแวดแหจูปายเข้าของลายมากเต้ามีนังนอนเ n o กันยาก็นานาลายหลากมื่นหกปันนางหากเป็นไม้ เมืองตั้งหลายน้อยใหญ่ภาพได้ไขจุมปูบอกมีสัตท่วต่อตาเป็นเจ้าฟ้าเอเกราจาส่วนตนพาญานีเล่าพงนุ่มเน่าเัวไว้จักอยู่ไปไปลายนาหากเนินจา้านนำนาจริงจักจระแก่เท่าตามหากเก้าสังขารธรรมคนนานำมวนหมู อันข้างอยู่โลกีกันเป็นดีบางเต้าบอกว่าหนุ่มเท้าจารามีภริญาแอมค้างมีมาจ้างหัวควายเงินคำไายบ่อไรดัวต่างใจตามใจบ่มีไผยสักผูไข่มุกหมู่เมื่อมอนย่ำจากนอนกุดดันกวัวอยุสันปันตาย ย้นเสียดายลายหลากยังเข้าของมากนานาส่วนตนพาญานีเล่าพงนุ่มเนาเยาไว้เป็นสันใดเต้าไทยบ่มักไฟปิญาดยังผาจ้าไฟราตังดังนาฏมหสีกัญญามีมาเต้าวังแวดเฝ้าเป็นปริวาน สุขสำราหลายแลบอ่อเวนแว่ยามใดสั่งบอ่ออลไใจคองยังเขตต้องปาราปล่อยผาธนาความนาฮือผีเสือกับว่าควบกินย้อนอาจินใจจอดไข้ฮือมะโหสดรอดเยาวไปขอจุงไข่เกาหือได้หูตามมี ว่าม่ห่อซเสนาบอดีนันใสมีคุณใหญ่สันใดเจ้าห่อใจหยอดซอยก็ตอบท้อยว่าตีว่าม่อห่อซเสนาบอดีนันเล่าแต่มาอยู่เฝ้าตัวเราตอดนักเบาน้อยใหญ่ก็บอดได้เล็งหัน ย่อมเป็นสัตว์กันแต่ก่อนค่าตกอยู่บอนมือมันมันจากฝันคำคาเฮความนาบำไบรก็สมมายแต่ใส่มันหากได้ผานี้บอเบี่ยนขีคำคาเฮความนาบำไบรลูกเมียไหลมวลหมูตกไปอยู่มือมันก่อบอฝันคำคาเฮไหวายนาขึ้นมา มีพระญาองค์อาทู่ชาลาดหันไกหูถึงในปางก่อนหูแจ้งบนปัจจุบันหูเล่งหันไปนาอาญาอาตกาดนำหูกองทำหมาเต้าดังพระญาเจ้าดังพระญาเจ้าสัพพัญญุพพจุมปูโลกกว้างไผบ่ออ้างเตรียมตัน คาดับขันบวยหมอดมะหอสดรอดนานไปเศนาในาอามาตยพลัมมานาจาัดเศรษฐีนางเทวินอลาลูกแข่งขานยิงใจไผ่ไตลายบนหมู่เตียงได้อยู่ใจบ้านโจนไพมานอุบาทบ่มาปาดบินคี ย้อนมะหอสดเสนาบอดีนิไใยย่อมแก่ไดจูอันอันข้าจริงบ่อปันเป็นขาดเือผีเสื้อห่าวหาดเอากินตาโอภูมินจุลนิราจเจ้าภาษาัตรคำดใดไข่คำบ่อน้อยย่อคุหนอพระยอดซอยตัสสน ดังเทวาบุตนวิเศษอยู่บนเขตสวรรค์เอาพระจันทร์มาส่องแจ้งไข่ห้องโลกานั้นแลยนะอาทาในกาลนั่นใสนางปารับจ้าปาริปาจิกาผู้เทาก่อขึดเล่าไปมาว่าเราได้จา่าตา้เก่า ขับตันเต้าหอดใจบอบิภัยอยู่ไกลใดหูไข่ขี้ยากวนจักจากเอาท่ามกลางหมู่คนหลหึ่งยิงใจหนุ่มเทาใดหูเก้าวยาวไปกันค้านิ่งใดเมียนแล้ว กปาตตโอตนแกวราชาจากผางการีภาวหลงสู่ดาวล้านหลวงคือคนปันปวงน้อยใหญ่คือไผ่ไตพระจาตั้งเสนาอาบาดและนักผาสิทธิกาบอดีมวลหมูมาพร้อมอยู่นำนาแล้วทำพานยาดังเกา่า ตั้งแต่เก้าสุดปลายเต้าบุญภายที่ราดก็โอกาสไขจะแก้ปัญหาเสีย่ยงไขดังก้าวไว้ฝ้ายหลังเฮ่คนฟังน้อยใหญ่ได้ยินไขเต็มสาดามขนลายลามดมเท้าฟังเต้าเจ้าจะคร ย, ยินมีใจจืนยาว สาทัวสาเนืองนั้นกันเจ้าหอจันจุลนิราชกาวเสียงขาดกำจาดังปริปาติกาผูา้เท่าจักหน่อคุณเจ้าบุญมีดังแป้งเฮือนดีมียนจอดเอาแก้วเป็นยอดปลายบนเปืือกหือคนหน่อยใหญ่ หัวแจงไขเยา่อไปจริงจักไข่โอกาสว่าดุร า, ามาทเสนาตั้งพระจาตัวเดา ว, ว, าวจุงฟังกำตาโอหัวใจเต้ามีใจรักขอดยังมะโหสอดหย่อเสนาบอดีแม่เตวีบ่ไว้ตั้งนางนัดให้าราชญยา สหายเตรียมตาหนุ่มเนาตั้งน้องเจ้าผู้บ้านเกวัดอาจารย์ผู้เทาตั้งตัวเต้าเจ้าผู้บินจักือผีเสื้อกินเสียงไขว้วนมะหสดไว้เดียวได้กวนอส จ, จันลายแต่ใส่ย้อนเต้าไทายผา ป, ป ร, รา ปิจารณาหูวรอดว่ามโหสดยอดเสนาบดีพระญามีอง์อาจจบฉลาดเดือดลายย่อมเฮยนิ่งใจไผน้อยอยู่จื่อจ้อยเจยบ้านเฮยโยทหารอามาตบอบไม่มาดเครื่องกาพระญาณนีนาพระเสด็จ เกล่าลำเลิดเจียงคานจักสํารันจัดนี่ย้อนภา ญ, ญาจีปไปจักสํารานใจจัดนาบ่อต่าจ่าเกรื่องกาย้อนภานยานันเล่าหากเป็นเก้าปามีภา ญ, ญาดีจบจอดนับเป็นยอดปรมาถารมี ย่อมป้าตนนีกาภากป้นเสียจากสงสารถึงดิปานแก้วเจ้าอันบ่รู้ท่าจรานางปารีป้าจิกาผู้ฉลาดได้โอกาสไขำคำยอคุณดอกคุณทำยอดซอยมีบ่อน้อยไหลผภาการก็บมีหันแลยนะ สัทธายังทรมาเตสนังอาหาริตว่าจาตะกังสมุทาเนสิสัทธาอันวาสปัญญูพระพุทธเจา้าตนเป็นปินเก้าที่โลกากันนำมะโหสดจาดกมาเบียนแล้วพระตนแก้วยอดคุณธรรมจริงใครกรรมบอกเรา วาดูราพิกุลุ่มเทาตั้งหลายเรามีพัญญาญายาไผมากกว้างปางเมื่อสร้างสมป้านหากถึงนานแต่เราปางเมื่อเป็นเจ้ามโหสถเสนาบอดีพัา ญ, ญามีองอาจจบชาลาดเดือลายไผ่บ่หม่เพียบใด พับโลกใต้โลกาดังเราได้เทศานาะบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปายคือตันตั้งลายมวลหมู่ใดพัมรู้ตามธรรมแล้วใครกำกล่าวจี้ยังอริยาสัจจะสี่ภาการกันป ร, ริโยสานสุดซอยพระยอดซอยจินนามาน <c oughs> จักจักนิทานจัดเก่ามาเตรียมเขาปัจจุบันห้ได้หันแจ้งทีพระจิงกีเตศนาว่าตาตาเสนาโกกัสโปดังนี้เป็นตนภิกขะเวดุราภิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริยาจาัต เืยานักพาธารงญานอันวน่าเสนากาอาจารย์ในกาลนันไซคือหากมาใดมหากัสสาเทระเจ้าในกาลบัตหนี้แลยนะตาตาปากุโต อ, อิตานิอัมปัเทเถโรอันว่าปากุตาอาจารย์ในกาลนันไซคือหากมาใดอัมปัทเถนในกาลบัตหนี้แลยนะ อันวากามินตาอาจารย์ในกาลนั้นเล่าคือหากมาใดพราหมเทาชื่อกูตาตันดาพราหมในกาลบัตหนี้แลยนะเทวินโตอันวาเทวินตาอาจารย์นั่นใสคือหากมาใดพระโสนตัทธะเทระเจ้าในกาลบัตหนี้แลยนะ เกวตต่ออันว่าเกวตวอาจารย์ผู้เท่าใจบับเศร้าปาราในกาลนันไซคือหากมาได้เทวะตัทเเนไดกาลบัตินี่แหละนะ อันว่านางจ า, ากาเตวีแม่พ ญ, ญาจุลนีในกาลนันไซคือหากมาไดนางถูลนันทีสุนทรีพิคุณีในกาลบัดีและนะอันว่านางปัญจาลจันทีในกาลนันไซคือหากมาไดนางบังกาลิกาพิงคุณีในกาลบัดีแหละนา อุตุมปาราเตวีอันว่านางอุตุมปอนเตวีนั้นใส่คือหากมาใดนางติถามังกาลิกาในกาลาบดี้แหล <c oughs> หาาน า, าวิเตหราชส่วนพญาวิเตหราชคือหากมาใดพก า, าลูตาญีเทระในกาลาบดี้แหลนา จุลนีราชอันว่าภาญาจุลนีในกาลนั่นไสคือหากมาใดมหาสารีบุตรเทระเจ้าในกาลบัตินีแหละนาสุโบอันว่านกแขกเตาคือพระมหานันตเทระเราจ้าในกาลบัตินีแหละนา ั่นว่าสิริวัทานาเศรษฐีป่อแห่งเจ้ามโหสดในกาละนั่นคือหากมาได้เตายศใหญ่สัลีสุทธตันะมะหาราชาในบัดีแลนะ ว่านางสุมาณาเทวีแม่แห่งเจ้ามาโหสถในกาละนั้นคือหากมาได้นางสริมหามาญญาในกาลบัดนี้และนาอามาราส่วนนางอามาราในกาละนั้นใสคือหากมาได้นางยโสทาราในกาลบัดนี้และนา มโหสะโทอันวะมะโหสดนักพาตผู้ฉาลาดเหลือคนในกาลนันไสโลกาณโทกือหากมาได้ตนพาตทาะตาตนเป็นติจังติเปึงแก่โลกตั้งสามในกาละบดีและนะ ตุ้มเหภวันตาจ้าตะกังทาเรทาตันตั้งหลายมวลหมูอันมานั่งอยู่ฟังธรรมจุงจักจำฮือใดเอาใสา่ไวในมโนตานยังเบาห่อสดจด้าดอกเจียงคานวิเศษอันพระพุทธเจ้าหากเดชสนาจักมีพระญาองค์อาทู่ฉลาดกองดี แหมปัญญาปารามีตัวเกา่าเฮมากเต้านำนาอันจากป้าป้นจากตังทุกอยากอบาใได้ันภายไปรอดเวียงแกววยอเตระปานในอนาคตการไปนาบอกกัดบอกกัจะแหลนาะ มหาสัทฌาตะกังดทธิ์ที่ตังขีญาอันเตสนาเก่าแก่ยังมหาสัจะาดกเกาะบังคุณสมรสเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล